เราคงทราบดีแล้วนะว่าพระเจ้าจัมมินสาแรกที่ป่าสิตธัตถิุทัตถายวันเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เดินจาริกไปยังกรุงราชครึกเพราะว่าเคยทรงรับปากพระธเจ้าปิณิสารว่าเมื่อพระองค์ประสูตธรรมก็จะมาโกรด พระเจ้าเป็นพิสารระหว่างทางเนี่ยพวกก็ประทับอยู่พักผิดต้ต้นไม้ก็มีชายหนุ่มนะจำนวนสาสิบคนหน้าตาเลือกหละนะักแล้วก็ดูมีความกังวลใจเดินผ่านมา เราก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นผู้หญิงคนนึงเดินผ่านมาไหมคือเรื่องของเรื่องคือว่ามาโนปุมสามสิบคนเนี่ยแล้วก็ชวนกันไปสำเรืสําราญกันแล้วก็ตาคนตาก็ชวนผู้หญิงของตนไปไปสุกสนานกันก็มีคนหนึ่งก็ชวน ก็จะเป็นนางขณิกการไปแล้วก็พอคนเรานนิเพลร์นางคณิกการอ่าซึ่งในพระไตรปิกก็ชี้กว่าหญิงแคสยาก็ฉกสวยเอาทรัพย์สมบัติของอชายหนุ่มหล่านั้นไปก็คงจะเป็นพวกแก้วเงินทองนะราคาแพงแล้วก็หายตัวไปชายหนุ่มหล่านั้น พอรู้เข้าก็ตกใจนะทัตว์สมบัติแค่แบบเงนินทองมีหายไปเยอะๆเลยก็เลยตามล่าหาผี้งคนนี้แหละพอไปเจอรู้จ้าคนร้านนั้นก็ไม่รู้จักนะแต่เห็นเป็นคนประชิดก็ที่ว่าคงจะรู้บอกแสหรือว่าเห็นพี้งคนนั้นเดินผ่านมาก็เลยถามว่า ว่เห็นผู้หญิงคนนี้ผ่านมาหรือเปล่าผู้เจ้าได้ตอบว่าเห็นยังไม่เห็นนะแต่ถามกลับไปว่าพวกท่านเนี่ยระหว่างการแสวงหาผู้หญิงกับการแสวงหาตัวเองเนี่ยอะไรจะดีกว่ากันพูดแบบนี้พอดีแบบนี้ ทั้งสาสิบคนก็ชังักเลย น, นะยันพ่อไม่เคยคาดว่าจะเจอคำถามแบบนี้เราก็จะไม่เคยนึกนะเรื่องการแสวงหาตัวองมา ก, ก่อาจจะเชื่อไปเรื่องยาฝากข้อแต่พอครูเจ้าถามนี้แกก็คนเรานี้ก็เลยชังักแล้วก็สนใจฟังว่าเออน่าคิดนะ พระเจ้าเ็เลยแสดงธรรมแสดงธรรมคนเหลานั้นก็พิจารณาตามพอพระพรค์แสดงธรามจบคนเหล่านั้นก็ได้เป็นพระโสดาบันบ้างสกิทาบ้างอนาคา ม, มีบ้างก็เลยว่าเมื่อกลับมาค้นหาแสวงหาตัวเองก็พบแต่จะธรรมคือความพิ่มทุกขนะ์ อันนี้ก็เป็นเกิดเล็กๆตอนหนึ่งนะของพุทธประวัติแต่ว่าก็ถือว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยตรัสถามเนี่ยนับ ว, ว่าทันสมัยมากเลยนะพะพุทธเจ้านี่ชวนให้เขาเนี่ยกลับมาแสวงหาตัวเองธรรมะแสวงหาตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงเท่าไหรนะ่ มันเพิ่งมามีคนพูดถึงกันมากๆก็ช่วงสมัยใหม่นั่นเองงานเดี๋ยวนี้ก็มีการพูดเรื่องการค้นหาตัวเองการแสวงหาตัวเองมันกลายเป็นคำที่กระทบใจหรือโดนใจคนได้ง่ายแต่ว่าสำนวนแบบนี้หรือว่าความคิดแบบนี้ผู้เจ้าก็ ตัดไมนานแล้วสองพักรกว่าปีแล้วแต่ว่าคนสมัยนี้ก็เพึ่งมาเัพึ่งมาตื่นตัวนะเรื่องการค้นหาตัวเองที่สำนัก ง, งาน Google นะ Google นกูเกิลคนเราก็รู้จักกันดีนะอากูหรือว่าโปรแกรมที่เขาใช้ค้นหานะ Search Engine นะ่ตอนนี้ก็ร่ำรวยมากนะเพราะว่าได้รับความนิยม ก็ดึนคนได้คนดีๆคน เ, นเก่งไปเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะของ Google หคือว่าเขามีการฝึกสมาธิแต่เขาไม่ใช่เรว่าสมาธินะไม่ใช่เาว่า Meditation ่โครงการก็ใช่ว่า Search Inside Yourself ก็คือค้นหาภายในตัวเองนะก็ได้รับความนิยมมากพนักงานของเ่ข้านี้ก็ มาเข้าโครงการนี้ก็คือมาฝึกสมาธิกันกันอยากเป็นจริงเป็นจังมากแล้วก็เขาไม่ได้ทำเฉพาะในสานักงานของเขาก็ามีการจัดอบรม น, นอกสถานที่นะก็ใช้เวลาข้อสเสนอเป็นอาทิตยนะ์คนก็สนใจล้นหลามเพราะคนก็สมัยนี้อยากจะรู้จักตัื่อนอนะค้นพบตัวเองอยากจะแสวงหานะ ว่าให้ไหนใจของเราเนี่ยมันมันมีความสุขมันมีความสงบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรื่องการส่วนหาตัวเองนี่เป็นที่บอนนะผู้จ้างกลับไม่นานแล้วไม่ใช่เป็นของใหม่นะสำหรับชาวพุทธแต่ว่าชาวพุทธอาจจะลืมเดินไปนะพอพอมีคนพูดเรื่องเออคนหาตัวเองก็กลับมาสนใจใหม่ อันนี้แสวงหาตัวเองค้นหาตัวเองเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันสําคัญอย่างไรคือมันสาคัญก็เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้หรือว่าทุกยุค ท, ทุกสมัยเลยก็ได้แล้วคนสมัยนี้ก็เป็นหนักมากคือลืมตัวเองลืมนี่มันลืมได้หลายอย่างนะลืมกระเป๋าลืมโทรศัพท์ลืมกุญแจรถ เมื่อแต่กระทำที่เราลืมแล้วเรานึกขึ้นได้เราก็ต้องหาแล้วว่าเอากระเป๋าเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเอาพินจานรถไปวางไว้ที่ไหนนะเราจะแสวงหาก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราลืมแน่นอนเดียวกันนะแสวงหาตัวเองเนี่ยมันสาคัญก็เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยลืมนะลืมตัวนะลืมกายลืมใจ อย่างเวลาสวดมนต์เนี่ยนะนะตัวก็สวดมนต์อยู่ที่ศาลาแต่ใจไม่รู้ไปไหนนะอันนี้เรียกว่าลืมกายลืมตัวก็ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อรู้ว่าลืมตัวแล้วเนี่ยใจก็ต้องกลับมาหาตัวนะใจก็กลับมาหาตัวเองกลับมาอยู่กับเนื้อกัตัวนั่นเองแล้วคนเราเนี่ยถ้าว่า รู้ว่าลืมตัวนี่อย่างดีนะอส่วนใหญ่เนี่ยลืมตัวแล้วไม่รู้เลยใจก็ล่องลอยไปเมื่อ็ด้การที่รว่าลืมตัวในใจมันจะกลับมาที่ตัวนะกลับมาที่เนื้อที่ตัวกลัาอยู่กับเนื้อกับตัว ก, กับการสืบ ต, ตัวขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่แค่ลืมกายลืมใจเนะี่ยใจลอยไหลไปไหนไม่รูนะ้หรือว่าใจจมในความทุกข์นะ คนที่ลืมใจเนี่ยใจก็จะก็เพราะว่าใจนี่ก็จมอยู่ในความทุกข์ความโกรธความเศร้าความท้อแท้ความผิดหวังมีอาการแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไรเกาแปลว่าลืมใจนะปล่อยใจให้ตกหล่นอยู่ในปรับนะแห่งความโกรธความทุกข์ความเศร้าเมื่อลืมแล้เปน็นยางก็ต้องหานะหาให้เจอนะ ถ้าเรารู้ว่าลืมแล้วเราก็การหาก็ไม่ยากก็จะพบใจได้ไม่ยากเราลืมใจนี่เป็นประจำเราลืมกายบ่อยๆและ ใ, ใจใจเราเองก็ลืมความปกติความปกติเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มันเป็นปกติของใจก็ได้ แต่เมื่อกระตามที่เรารู้ตัวเมื่อไหร่หรือว่าใจเนี่ยนะเกิดมีสติเมื่อไหร่นี่มันจะ ก, กลับคืนมาสู่ความปกติ mm hmm. ให้คาว่ า, าการค้นหาตัวเองเนี่ยนะมันมันหมายถึงการที่เราเนี่ยไม่ดึนกายไม่ดึนใจผ่าใจ น, นะกลับมาอยู่กับกายหรือว่าพาใจกับ คืนมาสู่ความปกติสุขความเป็นปกตินะนะไม่บวกไม่ลบไม่พูกไม่แฟรการรู้จักตัวเองนะถ้าเราค้นหาตัวเองเนเราก็จะพบตัวเองนะถ้าหาถูกนะก็จะพบตัวเองนะพบตัวเองก็รู้จักตัวเองนะคนตรงนี้เนี่ยนะไปออกไปส่งจิตออกนอก แล้วก็ไม่รู้จักตัวเองแล้วมาเป็นใครรู้จักตัวเองนี่ยก็มีความหมายหลายอย่างนะงเช่นเห็นหน้าตัวเองเห็นเงาตัวเองในกระจกนี่ก็ร่้ว่านคือเราอันนี้มันก็เป็นการรู้จักตัวเองแบบสามัญซึ่งก็มีมนุษย์แลก็าสตร์ไมกี่ชนิดนะที่รู้จักตัวเองแบบนี้ได้ เนเงาตัวเองในกระจกแล้วก็รู้นี่คือเราช้างมันก็รู้นะแต่ว่าพวกหมาพวกไก่พวกเป็ดมันไม่รู้นะเอากระจกมาวางไว้ข้างหน้ามันมันก็ยังติดกระจกเลยเพราะมันนึกว่าเงาที่มันเห็นข้างหน้าเนี่ยคื อ, คอไก่ตัวอื่นเป็ดตัวอื่นอันนี้แซลมันไม่รู้จักตัวเองนะแซลมันรู้จับตัวมันนี่มันยังหยาดอยู่นะเพราะว่าเด็กๆ ก, ก, ก็ทําได้ทาร ก, ก็ทําได้นี่ไนงะ ขวบสองขวบก็เห็นตัวในกระจกก็รู้แล้ววันอีตอกตัวเองรู้จักตัวเองที่ลึกไปกว่านั้ น, นคือรู้ว่าเรามี้สายใจคออย่างไรเรามีความถนัดตรงไหนบางคนชอบวาดภาพบางคเก่นทางช่างบางคนอ่าถนันดเรื่องขีดเขียนอันนี้ก็ดูเหมือนว่ามันธรรมดาสามัญ น, นะแต่ว่า คนจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าเตือนถนัดอะไรนะเรียนหนังสือเรียนมา12ปียังไม่รู้เลย ว, ว่าเตือนถนัดอะไรทั้งที่ผ่านมาทุกวิชาและทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ดนตรีศิลปะเ้ามีให้เขามีให้เรียนเยอะแยะหมดก็ยังไม่รู้เลยว่าตือนถนัดอะไรนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้จดจ่อใส่ใจในเรื่องในเรื่องการเรียนเท่าไหร่ เรียนหมายเท่าไรก็เรียนตามเพื่อนนะคณะนี้ก็เรียนตามเพื่อนเขาแหาไปเรียนนิเทศศาสตร์ก็ไปเรียนถามว่าชอบนิเทศศาสตร์เลยเปล่าเพื่อนเรียนวารสารก็ไปเรียนวารสารกับเขาบ้างถามว่าชอบตีเขียนชอบทาข่าวก็บอกไม่รู้เป็นอย่นี้กันเยอนะเรียกว่อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักตัวเองแล้วก็พ่อไม่สนใจแี่คนหาตัวเองว่าให้เราเป็นใครเราถนัดอะไร จบมาแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปทํางานอะไรต้องให้พ่อช่วยหางานให้หรือให้พ่อช่วยเลือกให้ยี่สิบกว่าแล้วนี่ยังไม่รู้จักตัวเองแม้กระทั่งในความหมายที่มันพื้นพื้น น, นี่นะ ก, ก็แย่นะาการรู้จักนิสัยใจของตัวเองก็สําคัญนะ หรือว่าวเป็นคนใจร้อนใจเย็นหรือว่าเป็นคนที่หุนทันพลัแล่นเป็นคนที่ชอบพูดชอบมุมทาคนที่หลายคนเนี่ยชอบพูดพูดพูดพู ด, พดแต่โดยไม่รู้เลยนะว่าตัวเนี่ยเป็นคนชอบพูดเนี่ยเยอะเลยนะเจอมากนะคนที่ชอบพูดเห็นใครอยู่ใกล้ก็พูด มันจะโยมคนนี้นี่แกอยู่กับใครข้างๆไปไม่ได้ก็พูดต้องชวนคุยขอไมีใครชวนคุยเป็นพระกำลังฉันอยู่ก็ชวนพระฉันให้ชวนพระคุยพระฉันไปโยมก็คุยไปคุยกับพระไปอะเป็นอย่างนี้ทุกมือทุกมือนะ ก, ก็เลยแต่ก็ไม่รู้ตัวนะว่าแกเป็นคนที่บิดพูดไม่เป็นนะจะรู้จะรู้ได้ก็ต้อง จะหยุดพูดไปก็ต้องรู้ตัวเองเป็นคนช่างคุยหรือว่าคุณไม่หยุดนะเราคนอายุถึงหกสิบแล้วยังไม่รู้ตัวเอมีิสายแบบนี้อันนี้ก็นเรว่าไม่รู้จักตัวเองแต่ว่าไม่รู้จักตัวนอี่มันที่มันสำคัญกว่าน้นก็คือการที่นะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจในปัจจุบันถนัดเห็นไหมที่เรานั่งอยู่เช่นเออราก็รู้กำลังนั่งนะ อันนี้ก็ถ้าไม่รู้ก็คือลืมนั่นแหละหลืมกายหลืนใจนั่งสร้างจังหวะอยู่บางทีบางขณะมันยังไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังสร้างจังหวะนะเพราะใจลอยคิดไปโน่นที่ไ ป, น, ป น, นี่เมื้อหลืนกายแะไม่รู้กายใจคิดไปเป็นเรื่องเป็นราวนานสิบนาทีเรืยัไม่รู้เลยนะว่าใจลอยอันนี้ก็ลืนใจนไม่รู้ใจ โกรธนะโกรธเป็นรักเป็นเวนนะเป็นวันเป็นอาทิตย์นี่ก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้ใจเหมือนกันก็เป็นความไม่รู้ตัวแบบนึงให้เราพิจารณาเรยียนมันความหมายที่นะที่ลึกก็คือการที่เรารู้นะรู้กายรู้ใจในแต่ละขณะแต่ละขณะ นะรู้ว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวก็รู้ว่ากายเคลื่อนไหวเมื่อกายนั่งก็รู้ว่ากายนั่งนะเมื่อเดินก็รู้ว่ากายเดินนะนะหรือว่าเมื่อใจคิดนึกไปก็รู้นะอันนี้แหละนะก็คือการนะรู้จักตัวเองนะในความหมายที่นะลึกเนะพราะมันไม่ใช่แค่รู้ที่ใส่ใจ่อ นิสัยละครนี่บางทีมันใช้การสังเกตนะมานใช้เวลาเป็นปีนึงจถึงจะสังเกตเลยเออเรามีนิสัยแบบนี้คนนิสัยนี่มันค่อนข้างจะ ค, ค่อนข้างจะคงเปลี่ยนแปลงช้านิสัยมันเปลี่ยนแปลงได้แต่มันเปลี่ยนแปลงช้าบางคนสิบปีก็ยังนิสัยเหมือนเดิมที่ยนิงก็เปลี่ยนนะแต่ว่ามันเปลี่ยนน้อยแต่ผ่านไปสิปีก็ยังไม่รู้นะว่าเรามีนิสัยยังไงเป็นคน แบบไหนนี่ก็มีเยอะแต่ว่าไอ้เรื่องการรู้กายรู้ใจใ น, นแต่ละขณะนี่มันละเอียดกว่ามันะนเป็นขณนะขณะขณะเราจะไม่รู้ทันไม่มีสติรู้ทันในทุกขณะนะแต่ว่าถ้ามันเนะจริญสตนะิเราก็จะรู้กายนะรู้ใจนะอันนี้ก็เป็นการรู้จักเพิมแบบหนึ่งเวลากลัวก็รู้ว่าโกรธนะเวลา เวลาซึมก็เวลาซึมเศร้าก็รู้ว่าซึมเศร้านันเวลาเครียดก็รู้ว่าเครียดนะอันเนี้ยมันมันเป็นเรื่องสาคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี้ยนะก็แปลว่าถูกความโกรธมันครอบนะถูกความเกลียดมันครอบหรือว่าถูกความซึมเศร้ามันครอบเนะพราะมันครอบใจแล้วเป็นอย่างใจก็มึกเลยนะมึกก็คือหลงนั่นเอง แล้วก็ทําให้ทําอะไรผิดพลาเสียหายนะเช่นถ้าโกรธก็ไปด่าเขานะบางทีก็ทำร้ายเข้าของแล้วก็มาเสียใจบางีคนที่ถูกด่าว่าไม่ใช่ใครเขาเป็นพ่อเป็นแม่นะซึ่งอาจจะ ก, กําลังป่วยนะแต่ว่าพ่อแม่ดื้อ น, นะลูกดูแลพ่อแม่ที่จริงก็ปรารถนาดกีกับพ่อแม่แต่พราพ่อแม่ดื้อ นะไม่ทําตามก็ลูกปก็ผิหวังเสียใจหรือว่าไม่พอใจพอไม่พอใจมากๆเขาก็กันโกรธโกรธไปก็ลืมตัวนะในตอนที่ว่าพ่อนะว่าแม่ก็ไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็เรื่องว่านะลืมใจเหมือนกันหรือลืมตัวนะทีจริงก็ทํางั้นกับลูกนะก็กลับมาเสียใจ มีพ่อคนหนึ่งเลยลูกนั่งทางํากานบ้านอยู่อายุห้าขวบนะลูกทำงานบ้านก็คงไปพูดกับลูกแล้วลูกก็ไม่สนใจลูกยังทําต่อนะหรือว่าอาจจะสอนลูกแล้วลูกก็ยังทําผิดทําพลาดนะเพราะว่าลูยังเด็กอยิดแค่ห้าขวบนะทําทําเลขคณิตเนี่ยมนะันก็ผิ ด, ผ, ดผิดพลาดพลาดทแล้วําเหล่าพ่อก็โมโห ฉีดนะฉีดนะสมุด น, นั่นไงดึงดึงดึงสมุดของลูกนี่เคลื่อนทิ้งเลยแต่เราก็มาเสียใจว่ า, าวทําไมเราทํากับรูปแบบนี้นะรูกก็ยังเด็กยังเล็กก็มาเสียใจอันนี้เรียกว่าเขาลืมตัวไนอะ้ตอนที่ลืมตัวนะมันไม่รู้มันไม่รู้ตัวนะหรือว่าไม่รู้จักว่าไม่รู้ตัวกํลาลังโรกรนธะกลาลังเฉลิ่ยว เนี่ยรู้จักเตืเอนมันต้องรู้จักให้ให้ละเอียดละออำถึงขั้นนี้นะคือว่าภาวะอารมณ์ที่ เ, เกิดขึ้นแต่ละขนาดแต่ละขณะดเราต้องความคิดด้วยหรือว่าตอนนี้นี่เรากําลังคิดคิดฟุ้งนะหรือว่าตอนนี้เราก า, า, นะ า, นนาลังคิดลายทิดชั่วนะตอนนี้เรากำลังคิดอกุศลนะเออ <c oughs> แล้วพอรู้จักอกุศลแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องรู้แบบเป็นกลางนะไม่ใช่พอรู้ตัวเองที่อกุศลก็รู้สึกแย่กับตัวเอง เกลียดตัวเองโมโหตัวเองนะเกลียดตัวเองที่คิดอกุศลหรือว่าโมโหตัวเองที่คิดแบบนั้นเสร็จแล้วก็จมอยู่ในความความรู้สึกแย่อันนี้ก็แสดงไม่เห็นตัวเองนะไม่รู้จักตัวเองว่าตอนนี้กำลังอยู่ในอารมณ์ไหนนะถ้ามันจะเห็นชัดๆนต้องเห็นแบบเห็นซื่อๆนะรู้ซื่อๆนะก็คือรู้โดยที่ใจก็เป็นกลางรู้แบบ ใจที่เป็นปกติเวลามีความคิดดีเกิดขึ้นก็เออก็รู้รู้เฉยเวลาคิดไม่ดีก็เออก็รู้เฉยๆอยที่เรางพ่อมาเขียนว่าเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่ใช่ว่าคิดดีเอาคิดไม่คิดคิดไม่ดีก็ผักใสหรือว่าทำร้ายตัวเองโมโหตัวเองทำไมคิดชั่วแบบนั้นคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะ เพราะแค่ดูมันใช่เฉยอันนี้แหละจะทำให้เรารู้จักตัวเราอย่างแท้จริงพอเป็นงานเนี่ยถ้าเกิดไปวิพากษ์วิจารณ์ความคิดหรือว่าไปไปมีปฏิกิริยากับความคิดที่มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เห็นอย่างที่มันเป็นจริงๆแล้วก็อาจจะถูกอารมณ์คร่อบงำซ้ำสองอีกนะเช่นเวลาโกรธเนี่ยรู้ว่าโกรธแต่แล้วก็มาเสียใจ หรือว่าเกิดไม่พอใจว่าทําไมเราโกรธเราปฏิบัติมาต้องนานทาไมเราโกรธโมโหตัวเองโมโหหรือโกรธตัวเองที่โกรธนะอันนี้เกิดขึ้นบ่อยนะต้องปฏิบัติโกรธตัวเองที่โกรธเราโกรธซ้อนโกรธเนี่ยไอโกรธตัวแรกนี่ส่วนใหญ่ก็ถ้าปฏิบัติเขาก็จะรู้ทันได้ไวแต่ว่าโกรธตัวที่สองเนี่ยก็คือโกรธที่ตัวเองโกรธเนี่ยโกรธตัวที่สองเนี่ยมันไม่ค่อยได้เห็น เพราะว่าติดดีติดดีก็ือวไม่อยากให้ตัวเองโกรธไม่อยากให้ตัวเองฟุง้งพอโกรธข้าวก็เกิดความติดหวังเกิด ค, ความไม่พอใจแล้วก็เลยโกรธตัวเองติดหวังตัวเองอันนี้เรียกว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกซื่อไม่เห็นเฉยเนะมันไปมีการวิาพากษ์วิจารณ์ไปฟูมฟางต่อมันก็เรียกว่า ไม่เห็นตัวเองแค่ติ่งที่อิน้าเห็นตัวเองเนี่ยคนหาตัวเองติ่งไปนะคนไปคนไปเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ไม่หยุดแค่สมถะไม่หยุดแค่ความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่มีสติเห็นความคิดเห็นก า, ารปรุงแต่งแล้วก็วางะเถ้าเรามีสตินะเราเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสงบมันติดแล้วก็เริ่มน ติด ก, ก็เริ่มสงบนะพอสงบแล้วมันทีก็ติดนะติดในความสงบถ้าไม่ไม่ไม่ไม่มองต่อเนะี่ไม่สวยหาตัวเองต่อเนี่ยนะมันก็ก็จดแค่นั้นแหละแล้วกลายเป็นติดสงบไปแต่ถ้าหากว่ายังเฝ้าดูนะเวเองต่อไปนะอย่างที่ใช้ที่ใช้กระบวนการนะที่ทางพุทธศาสนาวิปัสสนาเนี่ย ถ้าถ้าทาต่อนะนก็จะเห็นเลยนะว่าเอาเขาจริงๆไอ้พอค้นหาเตเองไปแสวงหาเตเองไปเพราะว่ามันไม่มีตัวตนอยู่เลยนะอันนี้มันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นจุดหักบุมนะค้นหาไปค้นหาไปแสวงหาเตเองไปแสวงไปเรื่อยๆปราบวา่าเห็นความจริงของัวอีองไปเรื่อยๆสุดท้ายมันไม่ไม่เหลือตัว ต, วตน เพราะว่าไม่มีตัวตนอยู่เลยแม้แต่น้อยเมือนกัเราลอกเปลือกลอกเปลือกลอกกระมาพลาเออีกลอกกาะกล้วยลอกไปเรื่อยๆลอกไปเรื่อยๆพบกัว่าข้างในมันกลวงมันว่างเปลา่าการค้นหาตัวเองในทีสุดมันก็จะลงเอยตรงที่ว่ามันไม่พบตัวเองไม่พบตัวตนหรือว่าไม่มีตัวกลูอยู่เลยอันนี้เรียกว่าอนาาัสตา คนหาตัวในสุก็พบว่าใช่จริงแล้วนยะมันไม่มีตัวตน ท, ที่เที่งแท้เลยไอเพราะว่าไม่มีตัวตนไม่ได้แต่ว่ามันว่างเปล่านะถ้าจะแปลว่างเปล่าคือว่างเปล่าจากความหมาตัวตนหรือว่างปาาา่ า, ปาจากตัวตนก็ได้มันมีอยู่แต่มันมีอยู่ไม่ใช่ในรูปตัวตนที่เป็นของเทีย่ยงแท้แน่นอน แต่มันมีอยู่ในรูปของกระแสนะคือกระแสที่แปลเปลี่ยนเหมือนกระแสน้ำเนี่ยเวลาเราดูกระแสน้าเนี่ยมันก็ไหลตลอดเวลาหาตัวคนของน้าที่ไม่เจอนัเพราะว่าจะจัดยังไงเนี่ยมันก็มันก็ไหลเลื่อนไปเรื่อยๆน้ําเมื่อหนึ่งวินาทีน้ําเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วกับน้ําในนาทีนี้เนขนาดนี้นก็ก็เป็นคนละคนละอันกัน แม่นานมันจะไหลเอื่อยเรื่อยๆ <Okay. S 1> นะยิ่งถ้าเกิดว่าสร้างเพื่อนหรือว่าสร้างคำนบเนี่ยน้ำก็จะหายไปเลยนะไม่อาจจะไม่เหลือน้ำสับยนเลยก็ได้ร่นะางกายของเราก็ขึ้นแปลเปลี่ยนเป็นกระแสนะมันมีการสร้าง สร้างเซลล์ใหม่แล้วก็เซลล์เก่าก็ตายเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งวันนึงมีเซลล์ที่ตายไปในร่างกายเราเนี่ยห้าล้านเซลล์แต่เราก็ไม่ได้สิ้นเดือดร้อนอะไรเพราะมันมีเซลล์ใหม่สร้างขึ้นร่างกายเราแต่ละขนาดแต่ละขณะดนี่มันใหม่เสมอน เขาเนี่ยเขมีการคํานวณเพราะว่าเนี่ยภายในเวลาสิปีเนี่ยร่างเราจะเป็นร่างใหม่ผอดด้าไหมก็ว่าได้กระดูกก็ใหม่น้ำก็ใหม่ผมก็ใหม่ปอดก็ใหม่ปับก็ใหม่อาจจะเก่าเฉพาะหัวใจที่ยังยังเหมือนเดิมหรือว่าสมองที่เรือเี่มันใหม่เหมดเลยดังนั้นถ้าร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่มีตรวจตนที่ขึ้แท้แน่นอน มันะิดวิ้นแล้วอย่างนมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูเลยงั้นค้นหาไปค้นหาไปนะโดยใช้วิปรัชนาเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่มีนะตัวกูหรือตัวฉันอยู่เลยแม้แต่น้อยไอ้สิ่งที่อัตภาพนะที่เห็นเป็นเป็นเราเนี่ยมันก็มีแต่กายกับใจเท่านั้นแนหะมันไม่มีตัวกูอยู่เลยนะและกายก็ไม่ใส่ตัวกูใจก็ไม่ใส่ตัวกู ไอ้ที่ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรนี่ก็เป็นแค่ชั่วคราวนะไม่ได้เป็นอะไรเผาวรที่หลวงพ่ออมยวบวอนไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่ก็เพราะมันไม่มีตัวกูที่จะที่จะที่จะเป็นผู้เป็นอะไรเลยไอ้การเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นแค่ชั่วคราวแต่ถ้ายึดเอาไว้ก็จะเป็นทุกข์นะคนร้อนเนี่ยถ้ามันไม่ไม่เห็นความจริงตรงนี้่เกิดอะไรกับกายนะใจก็ทุกข์ด้วย เช่นเวลานั่งแบบนี้นั่งอยู่นี่กายปวดใจเมื่อยเนี่ยมันก็จะรู้สึกไปว่าเนี่ยมีกูปวดกูเมื่อยมันจะไม่ใช่เห็นแล้วแค่ว่าเออกายปวดกายเมื่อยแต่ว่ามันมีการกลวมตัวกูขึ้นมาแมีกูเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นแล้ะเข้าไปเป็นแล้วหลวงพอ่อ คำเขียนนักสอนก็เห็นอย่าพ่อไปเป็นเนี่ยก็คือเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดมีความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธมีความคิดฟุ้งซ่านเกิขึ้นก็เห็นความคิดนะแต่ไม่เป็นผู้คิดฟุ้งซ่านแต่เพราะความหลงนะว่ามันมีตัวกูเนี่ยมันก็เลยยึดโน่นยึดนี่เป็นเป็นกูเป็นของกูไปหมดนะกูปวดกูเหมื่อยกูโกรธกูเศร้านีอันนี้เราเป็นแล้วนะ มันไม่ได้เห็นลม้มเข้าไปเป็นฉนั้นถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นแต่พุทกรนะือนะก็คือว่ามีตัวกูเป็นนั่นเป็นนี่แต่ไม่ได้ตามที่มีสตินะเนห็เนได้เจยเนี่ยมันก็ถ อ, อนความเป็นนั่นเป็นนี่ออกไปแต่เพิสติเมื่อไรก็เข้าไปเป็นใหม่มันจะมันจะเข้าๆออกแบบนี้แหลนะ จนกว่าจะมีปัญญาเห็นแจงเห็นแจนชัดว่าโอ้มันไม่มีตัวกูของกูเลยแม้แต่น้อยถึงตอนนั้นนี่มันก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะอะไรเกิดกับกายกับใจก็ไม่ได้ยึดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนั้นเป็นเราเป็นของเรานะอันนี้คือความหมายขนะองคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะ ไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้เกลียดไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจเกิดความปวดเกิดมีความปวดเกิดขึ้นที่กายก็ไม่เป็นผู้ปวดนะนะมันเป็นเรื่องของกายไปไม่ใช่เรื่องของเราที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็มไม่มีเราเลยตั้งแต่แรกอันนี้หละคือสุดท้ายปลายทางของการแสวงหาหรือค้นหาตัวเองคือว่าค้นหาฝ่ายค้นฝ่ายค้นฝ่ายบอกว่า มันไม่มีมันไม่มีตัวกูไม่มีตัวฉันเลยแต่ก่อนเนี่ยยังไปไม่สุดทางก็ยังก็ยังคิดว่าฉันเป็นคนใจร้อนฉันเป็นคนใจเย็นฉันเป็นคนที่ถนัดวาดภาพฉันเป็นศิลปินฉันเป็นพ่อที่ดีฉันเป็นแม่ที่อบอ้อมอารีอันนี้มันยังมีตัวกูอยู่นะมันยังเรียกว่ายัง ยังรู้จักเคยนี่ยังไม่ไม่สุดทางพอรู้จักไปสุดทางก็พบว่ามันไม่ไม่มีเราที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เลยก็เป็นความหมายของว่ไม่เป็นอะไรกับอะไรไอที่เป็นนี่ก็เป็นแค่สมมุติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นครูเป็นเส้นนี่ก็สมมุติแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรเลย อันนี้พอเห็นมันไมามก็ก็คนทุกนะเพราะว่ามีทุกเกิดขึ้นนะก็จริงแต่ว่าไม่มีผู้ทุกนะทุกเนี่ยทุกเท่านั้นที่มีอยู่นะแล้วทุกเท่านั้นที่ดับไปมันก็มีเท่านั้นแหละมีทุกกับความดับทุกแต่ว่าไม่มีผู้ทุกแล้วก็ไม่มีผู้คนทุกนะอันนี้ต้อง นี่เราก็ต้องไม่เสียใจนะวาโอ้โอนมันมีแต่มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะ ม, มีทุกข์ทั้งนั้นก็จริงแต่ว่ามันไม่มีผู้ทุกข์เนี่ยทำได้ถนะ้าธรรมชาติความจริงไปไนี้คือมันไม่มีผู้ทุกข์นะมันมีแต่ทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์แต่เพราะความลงนั่นแหละก็เลยไปไปกรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้เจ็บผู้ป่วยผู้ตาย น, นก็เลย มีความทุกข์ใจเกิดมาแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันไม่มีผู้แก่ไม่มีผู้จะไม่มีผู้ตายเนี่ยมันจะมีผู้ทุกข์ตรงไหนเนมันจะมีใครทุกข์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจนะว่าที่รู้ว่าโอ้มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนแต่ว่ามันไม่มีผู้ทุกข์นะถ้าหราถึงความจริงตรงนี้แหละก็จะ ก็จะพ้นทุกข์ได้อย่างที่หลวงพ่อทิพย์หลวงพ่อยำเจ้ินเขียนเอาไว้ก่อนมารับมรณะภาพนะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์จริงๆก็รู้ว่ามันมีแต่ทุกข์แต่ไม่มีพูดทุกข์ืมอมีพูดทุกข์มันก็พ้นทุกข์เท่านั้นแหละเอาละคันีูพูดเท่านี้นะกรับไป